มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวั์สุขุมาเชเฉทนะปัญหาที่สิบห้าถามว่าอะไรอาจตัดสิ่งที่สุขุมได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระน่าเกษณผู้เจริญสิ่งอันใดาอาจจะตัดซึ่งสิ่ ง, งอันสุขุมได้พระน่าเกษณจริงวิสัชนาแก้ไขว่าสิ่งที่จะตัดซึ่งสิ่ ง, งอันสุขุมนี้มีอยู่ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณผู้เจริญด้วยปรีชา สิ่งซึ่งสุขุมกว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะได้แก่สิ่งใดพระนาคเษนจึงวิสัญชาแก้ไขว่ามหาราชาตูกระบาพิทธพระราชสมภารสิ่งซึ่งสุขุมอื่นอื่นนั้นจะสุขุมเท่าพระสัทธรรมหาไม่ได้แต่ว่าธรรมทั้งปวงนั้นจะสุขุมสิ้นทีเดียวหาไม่ได้ธรรมที่หยาบก็มีธรรมที่ละเอียดก็มีแต่ที่ว่าธรรมสุขุมนี้ เป็นชื่อแห่งธรรมที่เรียกว่าธรรมอันสุขุมเมื่อจะจัดออกไปก็เป็นธรรมสุขุมบ้างเป็นธรรมอันหยาบก็มีบ้างเป็นสองสถานชะนี้แต่สิ่งที่จะตัดธรรมทั้งปวงให้ขาดได้ก็อาศัยโลกุตระปัญญาจึงจะตัดขาดแต่กําลังทุติยะปัญญาคือโลกิยะปัญญาณส ก, กามิอาจจะตัดได้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังก็สมโมสอนโสมนาตรัสว่ากัรโลสิสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าสุคุมัตเฉทนะปัญหาเป็นคำรบสิบห้าจบเท่านี้